สัปปานวักที่7สิกขาบทที่หนึ่งว่าอันหนึ่งภิกษุใดแกล้งพลากสัตว์จากชีวิตเป็นปะจิตตีสัตว์ในที่นี้เรียกในบาลีว่าปานโนแปลว่าอินทรีย์อันมีปราณคือลมหายใจและความเป็นอยู่ในที่นี้หมายเอาสัตว์จิระฉานชนิดใหญ่เล็กเป็นวัตถุแห่งปะจิตตีเสมอกันหมด เพราะมีสิกขาบทบัญญัติไว้เฉพาะเรื่องดังนี้ในตัติยะปาราชิกสิกขาบทจึงไม่ได้กล่าวว่าเป็นวัตถุแห่งทุกกฎโดยอนุโลมกันลงมาสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่บริโภคน้ำมีตัวสัตว์เป็นปะจิตตีดื่มกินก็ดีอาบก็ดีใช้สอยอย่างอื่นก็ดีนับว่าบริโภคทั้งนั้น สิกขาบทที่สามว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ฟื้นอนธิกรณ์ที่ทำสำเร็จแล้วตามธรรมเพื่อทำอีกเป็นปะจิตติเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำเรียกว่าอธิกรท่านแจกประเภทเป็นสี่คือวิวาทะได้แก่การเถียงกันพรารบพระธรรมวินัยเรียกวิวาธาธิกร นี้จะต้องได้รับชี้ขาดว่าถูกผิดความโจทย์หากันด้วยอาบัตเรียกอนุวาธาธิกอนนี้จะต้องได้รับวินิจฉัยว่าจริงหรือไม่จริงกิริยาที่ต้องอาบัตหรือถูกปรับอาบัตเรียกอาปั ต, ตาธิกอนนี้จะต้องทำคืนคือทำให้ผลโทษกิธุระที่สงจะพึงทำเช่นให้อุปสมบท เรียกกิจจาที่กรนี้จะต้องทำให้สำเร็จเมื่อที่กรณเหล่านี้อย่างได้อย่างหนึ่งเกิดขึ้นสงฆ์ก็ดีบุคคลก็ดีได้จัดได้ทำสำเร็จโดยชอบแล้วคือทำโดยควรแก่เหตุผลหรือได้ทำถูกต้องตามแบบอย่างแล้วภิกษุใดรู้อยู่ถือว่าเป็นอิสระฟื้นเอาขึ้นมาทำใหม่ต้องปัจจิตี เว้นไว้แต่เข้าใจว่าคำที่ทำนั้นไม่เป็นธรรมสิขาบทที่สว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ปิดอาบัตช่วยหยาบของภิกษุเป็นปะจิตติอาบัตช่วยหยาบนั้นในคำพีวิพังแกว่าได้แก่ปาราชิกสีและสังคารทิเศษส3สแต่ในอธิกถาว่าได้แก่สังคารทิเศษอย่างเดียว คำว่าของภิกษุนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายเอาตลอดผู้ปฏิญญาว่าเป็นภิกษุถ้าเข้าใจแคบเฉพาะสังฆาธิเศษต่างว่าภิกษุรู้อยู่ว่าภิกษุผู้สหายของตนต้องปาราชิกแล้วแต่ยังปฏิญญาว่าเป็นภิกษุอยู่ไม่เป็นผู้เห็นแก่พระธรรมวินัยเพียงไรนักปิดความเรื่องนี้เสียจะยกเอาบทอะไรขึ้นปรับโทษเธอ ข้าพเจ้าเห็นว่ายกสิกขาบทนี้ขึ้นปรับได้สังฆาทิเศษสิกขาที่8อันว่าด้วยโจดอาบัดปาราชิกไม่มีมูลนั้นในวิพัง์ของสิกขาบทนั้นแกว่าถ้าบุคคลไม่บริสุทธิ์คือต้องปาราชิกแล้วแต่ตนสําคัญว่าบริสุทธิ์โจดด้วยปาราชิกอื่นอันไม่มีมูลผู้โจดต้องสังฆาทิเศษเหมือนกันนี้เป็นตัวอย่าง จะพึงเอามาเทียบในที่นี้ว่าคำว่าของภิกษุนั้นหมายความตลอดถึงผู้ปฏิญญาว่าเป็นภิกษุไม่ตั้งใจจะปิดแต่มีเหตุก็ไม่ได้บอกผู้ใดผู้หนึ่งไม่เป็นอาบัติถ้าคิดเห็นว่าบอกไปผลจะร้ายกว่าที่นิ่งเสียแล้วไม่บอกในคำพีวิพังท่านอนุญาตเมื่อ เพ่งถึงเจตนาก็หวังจะป้องกันผลอันร้ายกว่าต่างหากไม่จัดว่าปิดสิกขาบทที่5ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ยังบุคคลมีปีหย่อน20ให้อุปสมบทบุคคลนั้นไม่เป็นอุปสมบันด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นถูกตีเตียนด้วยนี้เป็นปะจิตติในเรื่องนั้นมีอธิบายว่า ภิกษุทั้งหลายรู้อยู่เข้าประชุมเป็นสงฆ์ยังบุคคลอายุหยอด20ให้อุปสมบทอุปชายยะต้องปาจิตติภิกษุนอกจากนั้นต้องทุกกดบุคคลผู้อุปสมบทนั้นไม่เป็นภิกษุต้องถือว่าเป็นสามเณรตามเดิมสิคขาบทที่6ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ชักชวนแล้วเดินทางไกลาสายเดียวกันกับ พวกเกวียนพวกต่างผู้เป็นโจรโดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งเป็นปัจจิตีพวกเกวียนพวกต่างผู้เป็นโจร น, นั้นคือพวกคนค้าขายผู้ลักซ่อนของต้องห้ามเข้ามาเช่นในบทนี้ลอบเอาฝิ่นเถื่อนเข้ามาหรือซ่อนของควรเสียค่าภาษีในคำพีวิพังแกตลอดมาถึงพวกโจรผู้ทาโจรกรรม มาหยกๆยกก็ดีไม่ได้ทําดังนั้นก็ดีคำนี้ชอบเพราะเดินทางร่วมกันไม่ผ้นไปจากโทษอันจะพึงมีระยะบ้านหนึ่งนั้นท่านกาหนดชั่วไก่บินถึงแต่ในที่คนอยู่คับข้างน่าจะต้องกาหนดตามเครื่องกาหนดที่มีอยู่โดยปกติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกาหนดเอาตามเจ้าของเป็นต้น ในป่าหาบ้านไม่ได้ท่านกำหนดกึ่งยอดเป็นเขตไม่ได้ชักชวนกันไปต่างคนต่างเดินแม้ในทางสายเดียวกันไม่เป็นอาบัตสิกขาบทที่7ว่าอันหนึ่งภิกษุใดชักชวนแล้วเดินทางไกลาสายเดียวกันกับมาตุคามโดยที่สุดแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งเป็นปาจิตติมาตุคามในที่นี้ท่านแก่ว่า หญิงมนุษย์รู้ดิงสาในสิกขาบทนี้ไม่มีคำว่ารู้อยู่เป็นมาตามความมุ่งหมายเดิมหรือตกเสียเมื่อครั้งไรข้าพเจ้าไม่แน่ใจแต่เพราะขาดบทนี้ท่านจึงแก้ว่าอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะอธิบายนอกจากนี้เหมือนในสิกขาบทก่อนสิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใด กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงแล้วโดยประการว่าเป็นธรรมทําอันต ร, รายได้อย่างไรธรรมนั้นหาอาจทําอันต ร, รายแก่ผู้เสพจริงไหมภิกูุนั้นอันภิกษุทั้งหลายเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าท่านจะได้พูดอย่างนั้นท่านจะได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้า การกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีดอกพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยแน่เธอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสทำอันทำอันตรายไว้โดยบรรยายไป น, นั้นมากก็แลทํานั้นอาจทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนั้น ขืนถืออย่างนั้นแลภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศห้ามจนหนที่สามเพื่อสลากการนั้นเสียถ้าเธอถูกสวดประกาศห้ามอยู่จนหนที่สองสลากการนั้นเสียการสละได้ดังนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละเป็นปาจิตติการกินร่วมกันหมายความว่าคบหา ในคัมภีร์วิพังแจกไว้เป็นสองคือคบหากันในทางอา mith ได้แก่ให้หรือรับอา mith เรียกอา mith สมโภคหนึ่งคบหากันในทางเรียนธรรมได้แก่บอกธรรมให้เธอหรือขอเรียนธรรมจากเธอเรียกว่าธรรมสมโภคหนึ่งอยู่ร่วมนั้นคือทำอุโบสถก็ดีประวารณาก็ดี สังคกรรมก็ดีกับเธอสำเร็จการนอนด้วยกันนั้นคือเหยียดกายร่วมกันในที่มีหลังคาเดียวกันเหล่านี้เป็นประโยคแห่งปะจิตตีแต่ละอย่างแต่ละอย่างอธิบายความแห่งสองสิกขาบทนี้ว่าหากจะมีภิกษุอวดดีคัดค้านพระธรรมวินัยว่าไม่ถูกอันเป็นเหตุเกิดแก่งแย่งขึ้นในหมู่ เป็นหน้าที่ของภิกษุทั้งหลายจะต้องห้ามปรามเพื่อสละการนั้นเสียให้ทำโดยละม่อมละไมก่อนคือว่ากล่าวแนะนำตักเตือนถ้ายังขืนถือรั้นอยู่เช่นนั้นมีพระพุท ธ, ธนุญาตให้สงสวดประกาศห้ามด้วยอาณาสง์ถ้าไม่ฟังชื่อว่าเป็นผู้อันสงยกเสียแล้วจากการเข้าสมาคมเรียกว่า อุคิตโกภิกษุผู้ถูกยกเช่นนี้ภิกษุอื่นคบหาร่วมกินร่วมนอนไม่ได้ปรับอาบัติปาจิตตีแก่ผู้ทำแต่การยกขึ้นเช่นนั้นเป็นเพียงชั่วคราวถ้าเธอสมาคมกับภิกษุอื่นไม่ได้กลับทำดีสละทิฏฐินั้นเสียสงสวดประกาศระงับโทษยอมให้เข้าสมาคมอีกสิขาบทหลัง ห้ามการสมาคมกับภิกษุนั้นตลอดเวลาที่ยังขืนถืออยู่อย่างนั้นสิกขาบทที่10บว่าถ้าแม้สมานุเทศกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วโดยประการที่ตรัสว่าเป็นธรรมธรรมอันตรายได้อย่างไรธรรมนั้นหาอาจทมอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงไหม สมนุเทศนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าสมนุเทศเธออย่าได้พูดอย่างนั้นอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีดอกพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยแน่สมนุเทศเธอพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสทำทาอันตรายไวโดยปรรยายเปนอั น, นมาก ก็แลธวทำเหล่านั้นอาจทําอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงและสมนุษ์เทศนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนั้นคืนถืออย่างนั้นเถี่ยวสมนุษเทศนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าแนี่สมนุษเทศเธออย่าอ้างพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นว่าเป็นพระสัสดาของเธอตั้งแต่วันนี้ไปและพวกสมนุษเทศอื่น ย่อมได้การนอนร่วมเพียง2ถึง3คืนกับภิกษุทั้งหลายอันใดแม้กิริยาที่ได้การนอนร่วมนั้นไม่มีแก่เธอเจ้าคนเสียเจ้าจงไปเสียเจ้าจงชิบหายเสียและภิกษุใดรู้อยู่เกลียกล่อมสมนุเทศผู้ถูกให้ชิบหายเสียอย่างนั้นแล้วก็ดีให้อุปถากก็ดีกินร่วมก็ดีสาเร็จการนอนร่วมก็ดี เป็นปะจิตติอธิบายความแห่งสิกขาบทนี้ต่ออนุสนทีจากสิกขาบทก่อนว่าถ้าสมนุตเทศคือสมณีนกล่าวคัดค้านพระธรรมวินัยอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายห้ามปรามไม่ฟังจะสวดประกาศยกจากสมาคมเหมือนอย่างทำแก่ภิกษุไม่ได้จึงมีพระพุทธานุ ญ, ญาตให้นาสนะเสียและห้ามไม่ให้ภิกษุอเอามาเลี้ยงไว ปรับโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนเป็นปาจิตตี